สมณพราหมณ์ผู้กล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดสมท า, านวัดแล้วดำรงอยู่ได้กล่าวความหมดจดด้วยความสำรวมว่าผู้เราศึกษาในทิฏฐินี้แหละและศึกษาความหมดจดแห่งวัดนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดย่อมเป็นผู้ถูกนำเข้าสู่พบว่าด้วยผู้มีกุศลถึงพร้อมประกอบด้วยธรรมสีประการ คำว่าสมณพราหมณ์ผู้กล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดได้กล่าวความหมดจดด้วยความสํารวมอธิบายว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคือย่อมกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพียงด้วยศีลเพียงด้วยความสํารวม เพียงด้วยความสังวรเพียงด้วยความไม่ล่วงละเมิดเปรียบเหมือนปริพาชกผู้เป็นบุตรแห่งนางปริพาชิกาชื่อสมณะมุนทิกากล่าวไว้อย่างนี้ว่าช่างไม้เอย๋ยเราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นผู้มีคุศลเพียรพร้อมมีคุศลยอดเยี่ยมบรรลุถึงอรหัตผลอันอุดมที่ควรบรรลุเป็นสมณะไม่มีใครสู้ได้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 มีกุศลอยอดเยี่ยมบรรลุถึงอารหัตผลอันอุดมที่ควรบรรลุเป็นสมณะไม่มีใครสู้ได้ฉันใดมีสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดสมณะพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคือย่อมกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยเหตุเพียงศีล ด้วยเหตุเพียงความสำรวมด้วยเหตุพิยงความสัมวอนด้วยเหตุเพียงความไม่ล่วงละเมิดฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าสมณพราหมณ์ผู้กล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดเด้กกล่าวความหมดจดด้วยความสำรวมว่าด้วยการสมาทานวัดต่างๆคำว่าวัดในคำว่าสมท า, านวัดแล้วดำรงอยู่อธิบายว่า ถือเอาสมาทานคืยยึดถือรับเอาถือยึดมั่นถือมั่นวัดเยี่ยงช้างบ้างวัดเยี่ยงม้าบ้างวัดเยี่ยงโขบ้างวัดเยี่ยงแพะบ้างวัดเยี่ยงสุนัขบ้างวัดเยี่ยงกาบ้างวัดเยี่ยงเท้าวาสุเทศบ้างวัดเยี่ยงเท้าปุณณพัทระบ้างวัดเยี่ยงเท้ามณีพัทระบ้างวัดเกิดกการบูชาไฟบ้างวัดเยี่ยงนาคบ้าง วัดเยี่ยงครุธบ้างวัดเยี่ยงยักษ์บ้างวัดเยี่ยงอสูรบ้างวัดเยี่ยงคนทันบ้างวัดเยี่ยงท้ามหาราชบ้างวัดเยี่ยงพระจันทร์บ้างวัดเยี่ยงพระอาทิตย์บ้างวัดเยี่ยงพระอินทร์บ้างวัดเยี่ยงพระพรหมบ้างวัดเยี่ยงเทวดาบ้างวัดคคอการไหว้ทิศบ้างแล้วดำรงอยู่คือดำรงมั่นติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อ รวมความว่าสมาทานวัดแล้วดํารงอยู่คําว่าในทิฏฐินี้ในคําว่าพวกเราศึกษาในทิฏฐินี้แหละและศึกษาความหมดจอดแห่งวัดนั้นได้แก่ในทิฏฐิของตนคือในความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนคําว่าศึกษาได้แก่ศึกษาคือประพฤติเอือ้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบ สมาทานประพฤติรวมความว่าพวกเราศึกษาในทิฐินี้แหละคําว่าและศึกษาความหมดจดแห่งวัดนั้นอธิบายว่าและศึกษาความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปแห่งวัดนั้นรวมความว่าพวกเราศึกษาในทิฐินี้แหละและศึกษาความหมดจดแห่งวัดนั้น คำว่าย่อมเป็นผู้ถูก น, นำเข้ า, าสู่ภพในคําว่ากล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดย่อมเป็นผู้ถูกนำเข้าสู่ภพได้แก่ย่อมเป็นผู้ถูกนำเข้าสู่ภพคือย่อมเป็นผู้เข้าถึงภพติดใจในภพน้อมใจเชื่อในภพรวมความว่าย่อมเป็นผู้ถูกนำเข้าสู่ภพคำว่ากล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดได้แก่ กล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดคือกล่าวอ้างว่าเป็นบัณฑิตอ้างว่าเป็นนักปราดอ้างว่ามีญาณอ้างว่ามีเหตุผลอ้างว่ามีคุณลักษณะอ้างว่าเหมาะแก่เหตุอ้างว่าสมฐานะตามลัทธิของตนรวมความว่ากล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดย่อมเป็นผู้ถูกนำเข้าสู่ภพโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เมณพราหมณ่ผู้กล่าวอ้างศีลว่าสูงสุดสมท า, านวัดแล้วดำรงอยู่ได้กล่าวความหมดจดด้วยความสำรวมว่าพวกเราศึกษาในทิฏฐินี้แหละและศึกษาความหมดจดแห่งวัดนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดย่อมเป็นผู้ถูกนำเข้าสู่พบหนึ่งสามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าบุคคลเคลื่อนจากศีลวัด พลาดกรรมแล้วก็หวันไหวเขาย่อมเฝ้าแต่พร่มเพอและปรารถนาความหมดจดเหมือนคนออกจากเรือนอยู่ร่วมกับพวกเดินทางพลัดจากพวกฉะนั้นว่าด้วยเหตุให้เคลื่อนจากศิลวัตรคำว่าถ้าบุคคลเคลื่อนจากศิลวัตรอธิบายว่าบุคคลเคลื่อนจากศิลวัตรด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งเคลื่อนเพราะผู้อื่นที่ขาด เคลื่อนเพราะไม่บรรลุบุคคลเคลื่อนเพราะผู้อื่นชี้ขาดเป็นอย่างไรเผื่อผู้อื่นชี้ขาดว่าศาสดานั้นมิใช่สัพพัญยูทำมิใช่ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้วหมู่คณะมิใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฐิมิใช่สิ่งที่เจริญปฏิปทาไม่ใช่ศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมักมิใช่ทางนำสัตว์ออกจากทุกข์ในลัทธินั้นไม่มีความหมดจด ความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปหรือความหลุดพ้นไปคือในลทัทธินั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหรือหลุดพ้นไปไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เลวคือสามต่ำสามน่ารังเกียจอยากช้าต่ำต้อยชื่อว่าผู้อื่นชี้ขาดด้วยอาการอย่างนี้ ผู้ที่ถูกชี้ขาดอย่างนี้ย่อมเคลื่อนจากศาสดาเคลื่อนจากธรรมที่ศาสดากล่าวสอนเคลื่อนจากหมู่คณะเคลื่อนจากทิฏฐิเคลื่อนจากปฏิปทาเคลื่อนจากมักบุคคลชื่อว่าเคลื่อนเพราะผู้อื่นชี้ขาดเป็นอย่างนี้บุคคลเคลื่อนเพราะไม่บรรลุเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่บรรลุศีลจึงเคลื่อนจากศีลไม่บรรลุวัดจึงเคลื่อนจากวัดไม่บรรลุศีลวัด จึงเคลื่อนจากศีลวัดบุคคลชื่อว่าเคลื่อนเพราะไม่บรรลุเป็นอย่างนี้รวมความว่าถ้าบุคคลเคลื่อนจากศีลวัดคำว่าวันไวในคำว่าพลาดกรรมแล้วก็วันไวอธิบายว่าวันวันไวคือหวาดวันเรื่องศีลวัดหรือศีลวัดว่าเราผิดพลังพลาดพลาดไปเสียแล้วเราผิดพลาดจากอารหั t ผลเสียแล้ว รวมความว่าหวั่นไหวคำว่าพลาดกรรมแล้วอธิบายว่าหวั่นหวั่นไหวคือหวาดหวั่นเรื่องปุญญาพิสังขารอปุญญาภิสังขารหรืออนเนเชาพิสังขารว่าเราผิดพลังพลาดคลาดไปเสร็จแล้วเราผิดพลาดจากอาราธผลเสร็จแล้วรวมความว่าพลาดกรรมแล้วก็หวั่นไหวคำว่าพร่ำเพอในคาว่า เขาย่อมเฝ้าแต่เพิ่มเพอและปรารถนาความหมดจดได้แก่เพอเพิ่มเพอเพิ่เพอพกเรื่องศีลวัดหรือศีลวัตรวมความว่าพร่มเพอคาว่าและปรารถนาความหมดจดได้แก่ปรารถนาคือชอบใจใฝ่ฝันความหมดจดพระศีลความหมดจดพระวัดหรือความหมดจดพระศีลวัรรวมความว่า เขาย่อมเฝ้าแต่พร่ำเพ้อและปรารถนาความหมดจดคำว่าเหมือนคนออกจากเรือนอยู่ร่วมกับพวกเดินทางพลัจากพวกฉะนั้นอธิบายว่าบุรุษออกจากเรือนอยู่ร่วมคือเป็นอยู่กับพวกเดินทางพลัจากพวกคือติดตามพวกเดินทางไปหรือกลับมาสู่เรือนของตนเองฉันใดเจ้าลัทธินั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันถือือยึดมั่น เพือมั่นศาสดานั้นหรือศาสดาอื่นทำที่ศาสดากล่าวสอนนั้นหรือทำที่ศาสดากล่าวสอนอื่นหมู่คณะนั้นหรือหมู่คณะอื่นทิฐินั้นหรือทิฐิอื่นปฏิปทานนั้นหรือปฏิปทาอื่นมักนั้นหรือมักอื่นรวมความว่าเหมือนคนออกจากเรือนอยู่ร่วมกับพวกเดินทางพลัดจากพวกฉะนั้นด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าบุคคลเคลื่อนจากศีลรวัดพลาดกรรมแล้วก็หวันไว้เขาย่อมเฝ้าแต่พร่ำเพอ้อและปรารถนาความหมดจดเหมือนคนออกจากเรือนอยู่ร่วมกับพวกเดินทางพระจากพวกฉะนั้นหนึ่งสาิหพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอ ร, ริยสาวกและศีลรวัดได้ทั้งหมดและกรรมที่มีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษนั้นเสียได้ ไม่ปรารถนาความหมดจดและความไม่หมดจดงดเว้นแล้วไม่ยึดมั่นทิฏฐิที่มีอยู่ที่ยวไปคำว่าละศีลวัดได้ทั้งหมดอธิบายว่าละคือละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหมดจดเพราะศีลได้ทั้งหมดความหมดจดเพราะวัดได้ทั้งหมดละคือละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีก ซึ่งความหมดจดเพราะศีลวัดได้ทั้งหมดรวมความว่าละศีลวัดได้ทั้งหมดว่าด้วยกรรมมีโทษและกรรมไม่มีโทษคําว่าละกรรมที่มีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษนั้นเสียได้อธิบายว่ากรรมดำมีวิบาาดดำตราดเรียกว่ากรรมที่มีโทษกรรมขาวมีวิบากขาวตรัสเรียกว่ากรรมที่ไม่มีโทษ พระอริยสาวกละคือละทิ้งบรนเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกรรมที่มีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษได้แล้วรวมความว่าละกรรมที่มีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษนั้นเสียได้คําว่าความไม่หมดจดในคําว่าไม่ปรารถนาความหมดจดและความไม่หมดจดได้แก่พวกปุถุชนปราถนาความไม่หมดจด คือปรารถนาอกุศนธรรมคำว่าความหมดจดอธิบายว่าพวกปุตุชนปรารถนาความหมดจดคือปราถนากามคุณหปรารถนาความไม่หมดจดคือปราถนาอกุศนธรรมและกามคุณหปราถนาความหมดจดคือปรารถนาทิฏฐิ62ปรารถนาความไม่หมดจดคือปราถนาอกุศนธรรมกามคุณหและทิฏฐิ62 ปาราธนาความหมดจดคือปาราธนากุศลธรรมอันมีในตรท า, าตปาราธนาความไม่หมดจดคือปารานาอกุศลธรรมกามคุณหาทิฏฐิหกสิบสองและกุศลธรรมอันมีในตรท า, าตพวกกระยาณปุถุชนปาราธนาความสะอาดคือปารานาความก้าว่ากสู่อริยมรรคพระเสขะปาราธนาอารหัตผลซึ่งเป็นธรรมอันเลิศ เมื่อบรรลุอรหัตผลพระอระหันต์ไม่ปรารถนาอกาุศสลธรรมไม่ปรารถนากามาคุณห้าไม่ปรารถนาทิฏฐิหกไม่ปรารถนากุศสลธรรมอันมีในไตรธาตุไม่ปรารถนาความก้าวแย่งสู่อริยมรรคไม่ปรารถนาอราหัตผลซึ่งเป็นธรรมอันเลิศพระอระหันต์ก้าวล่วงความปรารถนาล่วงพ้นความเจริญและความเสื่อมเสียแล้ว พระอาหารหันต์นั้นอยู่ในอริวาสธถามแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้ ว, แ ล, วและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าไม่ปราถนาความหมดจดและความไม่หมดจดคำว่างดเว้นแล้วในคำว่างดเว้นแล้วไม่ยึดมั่นทิฏฐิที่มีอยู่เที่ยวไปอธิบายว่างดงดเว้นคือเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้น ไม่เกี่ยวข้องกับความหมดจดและความไม่หมดจดมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่างดเว้นแล้วคำว่าเที่ยวไปได้แก่เที่ยวไปคือท่องเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่างดเว้นแล้วเที่ยวไปคำว่าไม่ยึดมั่นทิฐิที่มีอยู่ อธิบายว่าทิฏฐิ62ตรัสเรียกว่าทิฏฐิที่มีอยู่พระอระหันต์ไม่ยึดคือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิฏฐิที่มีอยู่รวมความว่างดเว้นแล้วไม่ยึดมั่นทิฏฐิที่มีอยู่ที่ยวไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอริยสาวกละศีลวัตรได้ทั้งหมดละกรรมที่มีโทษและกรรมที่ไม่มีโทษนั้นเสียได้ ไม่ปราถนาความหมดจดและความไม่หมดจดงดเว้นแล้วไม่ยึดมั่นทิฏฐิที่มีอยู่เที่ยวไปหนึ่งร้สามสิหพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณพราหมณ์เข้าไปอาศัยตบะที่ตนเกลียดชังนั้น เข้าไปอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้เป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้ายังไม่คลายตัญหาในพบน้อยพบใหญ่จึงยังพร่ำพูดถึงความหมดจดอยู่คำว่าสมณะพราหมณ์เข้าไปอาศัยตบะที่ตนเกลียดชังนั้นอธิบายว่าสมณะพราหมณ์บางพวกมีวาทะเกลียดชงังตะบะถือการเกลียชังตบะเป็นชนะ อาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อความเกลียดชังตะบะรวมความว่าสมณพราหมณ์เข้าไปอาศัยตบะที่ตนเกลียดชังนั้นคำว่าเข้าไปอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อธิบายว่าอาศัยเข้าไปอาศัยคือถือยึดมั่นถือมั่นรูปที่เห็นหรือความหมดจดเพราะรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยินหรือความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินอา ร, รมณ์ที่รับรู้หรือความหมดจดเพราะอารมณ์ที่รับรู้รวมความว่าเข้าไปอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้คําว่าเป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าจึงยังพร่ำพูดถึงความหมดจดอยู่อธิบายว่าเจ้ณพราหม์บางผู้เป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้า สมณพราหม์พวกไหนเป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าสมณพราหม์เหล่าใดเป็นผู้ถือความหมดจดโดยส่วนเดียวถือความหมดจดโดยการเวียนไหวกายเกิดผู้มีความเห็นว่าทำแล้วไม่เป็นอันรรมมีวาทะว่าเทียงสมณพราหม์เหล่านั้นชื่อว Rolle ่าเป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าสมณพราหม์เหล่านั้นก็พร่ำพูดคือกล่าวพูดบอกแสดง ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปโดยสงสารรวมความว่าเป็นผู้กล่าวความหมดจดในสงสารข้างหน้าจึงยังพร่ำพูดถึงความหมดจดอยู่คำว่าตันหาในคำว่ายังไม่คลายตันหาในภพน้อยภพใหญ่ได้แก่รูปปัตนหาสัทธตันหาคันทัตันหา รสตันหาโพธภาตันหาธรรมตันหาคำว่าในภพน้อยภพใหญ่อธิบายว่าผู้ยังไม่คลายตันหาคือไม่ปราศจากตันหาไม่ฉละตันหาไม่คลายตันหาไม่เปลืองตันหาไม่ละตันหาไม่ฉลัดทิ้งตันหาในภพน้อยภพใหญ่คือในกลามวัฏและวิปากวัฏในกรมวัฏเป็นเครื่องเกิดในกรมภพ ในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในกามะพบในกลามวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปะพบในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปะพบในกามวเป็นเครื่องเกิดในอรูปะพในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในอรูปะพในภพต่อไปในคติต่อไปในการถือคำเนิดต่อไปในปฏิสนธิต่อไปในการบังเกิดของอัตภาพต่อไปรวมความว่า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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความชอบใจวัตถุย่อมมีแก่ผู้กําลังปรารถนาอันหนึ่งความวันไหว ย, ย่อมมีในพระวัตถุที่กำหนดแล้วความตายและความเกิดไม่ได้มีแก่ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ภิกษุนั้นพึงวันไหวด้วยเหตุอะไรหรือพึงชอบใจในอะไรคำว่าความชอบใจวัตถุย่อมมีแก่ผู้กําลังปรารถนาอธิบายว่า ตัณหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกำหนัดความกำหนัดนักมาพิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าผู้กําลังปรารถนาได้แก่ผู้กําลังปรารถนาคือผู้กําลังต้องการยินดีมุ่งหมายมุ่งหวังรวมความว่าผู้กําลังปรารถนาคําว่าชอบใจอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความชอบใจ คือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลละมูลคลโลภะรวมความว่าความชอบใจวัตถุย่อมมีแก่ผู้กาลังปรารถนาคำว่าความกาหนดในคาว่าอันหนึ่งความวันไหว ย, ย่อมมีในพระวัตถุที่กาหนดแล้วได้แก่ความกาหนดสองอย่างคือ1ความกาหนดด้วยอำนาจตันหา 2. อความกาหนดด้วยอนานาจทิฏฐิ นี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าอันหนึ่งความวันไหวย่อมมีในพระวัตถุที่กำหนดแล้วอธิบายว่าผู้วาดระแวงว่าวัตถุที่กำหนดไว้แล้วจะถูกแย่งชิงไปย่อมวันไหวบ้างเมื่อวัตถุนั้นกนลังถูกแย่งชิงไปย่อมวันไหวบ้างเมื่อวัตถุนั้นถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมวันไหวบ้าง ผู้วาดระแวงว่าวัตถุที่กําหนดไว้แล้วจะแปรผันไปย่อมวันไหวบ้างเมื่อวัตถุนั้นกาลังแปรผันไปย่อมวันไหวบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแล้วย่อมวันไหวเกิดสันเทากระจับกระชายอยู่บ้างรวมความว่าอันหนึ่งความวันไหว ย, ย่อมมีในพระวัตถุที่กําหนดแล้วคำว่าภิกษุดใดในคาว่า ความตายและความเกิดไม่ได้มีแก่ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้แก่พระอรหันตขีนาศอธิบายว่าการไปการมาการไปและการมาความตายคติพบน้อยพบใหญ่จุติการถือคำเนิด์ดความเกิดความดับชาติชรามรณนะไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่พระอรหันตขีนาศใด ได้แก่ความตายและความเกิดนั้นพระอรหันตขีนาศละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วรวมความว่าความตายและความเกิดมิได้มีแก่ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้คําว่าภิกษุนั้นพึงวันไว้ด้วยเหตุอะไรหรือพึงชอบใจในอะไรอธิบายว่า พิกษุนั้นพึงหวั่นไหวด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอทุทจจะวิจิกจิาอนุสัยอะไรว่าเป็นผู้กำหนัดเป็นผู้ขัดเคืองเป็นผู้หลงเป็นผู้ยึดติดเป็นผู้ยึดมั่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเป็นผู้ลังเลหรือว่าเป็นผู้ตกอยู่ในพลังกิเลสภิษุนั้นละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้ว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 คือสันเทากระสับกระสายด้วยเหตุปัจจัยและการใดเหตุปัจจัยและการนั้นไม่มีรวมความว่าภิกษุนั้นพึงวันไหวด้วยเหตุอะไรคําว่าหรือพึงชอบใจในอะไรอธิบายว่าหรือว่าพึงชอบใจในอะไรคือพึงชอบใจในวัตถุอะไรได้แก่พึงชอบใจรักใครพอใจในวัตถุนั้นอย่างไร รวมความว่าภิกษุนั้นพึงวันไหวด้วยเหตุอะไรหรือพึงชอบใจในอะไรด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าความชอบใจวัตุย่อมมีแก่ผู้กำลังปรารถนาอันหนึ่งความวันไหว ย, ย่อมมีในพระวัตถุที่กำหนดแล้วความตายและความเกิดไม่ได้มีแก่พิกษุใดในธรรมวินัยนี้ภิษุนั้นพึงวันไหวด้วยเหตุอะไร หรือพึงชอบใจในอะไรหนึ่งสาสิบพระพุทธเนรมิทูลถามว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าเยี่ยมแต่สมณพราหมณ์พวกอื่นกลับกล่าวทำนั้นนั่นเองว่าเลววาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจริงกันหนอเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทุกพวกต่างกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาด คำว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าเยี่ยมอธิบายว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงทำรรคือทิฏฐิปฏิปทามักใดอย่างนี้ว่าทำนี้เยี่ยมคือยอดประเสรศิฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดรวมความว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำใดว่าเยี่ยมคำว่า แต่สมณพราหม์พวกอื่นกลับกล่าวทำนั้นนั่นเองว่าเลวอธิบายว่าสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งกลับกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงธทำเคือทิฏฐิปฏิปทามักนั้นนั่นเองอย่างนี้ว่าทำนี้เลวคือสามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าแต่สมณพราหมณ์พวกอื่นกลับกล่าวทำนั้นนั่นเองว่าเลว คำว่าวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจริงกันหนออธิบายว่าวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจริงคือแท้แท้จริงเป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตรวมความว่าวาทะของสมณพราหมณ์เหล่านี้วาทะไหนจริงกันหนอะคำว่าเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้ทุกผู้ต่างกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาด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 พระพุทธเนรมิตรจึงทูลถามว่าสมณพราหมบางพวกกล่าวทำใดว่าเยี่ยมแต่สมณพราหมพวกอื่นกลับกล่าวทำนั้นนั่นเองว่าเลววาทะของสมณพราหมเหล่านี้วาทะไหนจริงกันหนาเพราะสมณพราหมเหล่านี้ทุกพวกต่างกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดหนึ่งร้อยสามสิบเก้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอันหนึ่ง สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมของตนว่าบริบูรณ์แต่กล่าวธรรมของผู้อื่นว่าเลวผู้สมณพราหมณ์ถือมั่นแม้อย่างนี้แล้วย่อมวิวาสกันเพราะต่างกล่าวทิฏฐิสมมุติของตนของตนว่าจริงคำว่าอนหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวธรรมของตนว่าบริบูรณ์อธิบายว่าอันหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงธรรม คือทิฏฐิปฏิปทามรคของตนอย่างนี้ว่าทมนี้เพียรพร้อมบริบูรณ์ไม่บกพร่องรวมความว่านหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทำของตนว่าบริบูรณ์คำว่าแต่กล่าวทำของผู้อื่นว่าเลวอธิบายว่าสมณพราหมณ์พวกเดียวกันนั้นกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงทำคือทิฏฐิ ปฏิปทามัก ข, ของผู้อื่นอย่างนี้ว่าทำนี้เลวคือสามต่ำสามน่ารังเกียดหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าแต่กล่าวทมของผู้อื่นว่าเลวคำว่าผู้สมณะถือมั่นแม้อย่างนี้แล้วย่อมวิวาตกันอธิบายว่าผู้สมณะพราหมณ์จับยึดถือยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ย่อมวิวาตกันคือย่อมก่อการทะเลาะ ก่อการบาดหมางก่อการแก่งแย่งก่อการวิวาทก่อการมุ่งร้ายกันโดยพูดว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดรวมความว่าพวกสมณพราหมถือมั่นแม้อย่างนี้แล้วย่อมวิวาสกันคำว่าเพราะต่างกล่าวทิฏฐิสมมติของตนของตนว่าจริงอธิบายว่าต่างกล่าวว่าโลกเที่ยง หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะรวมความว่าเพราะต่างกล่าวทิฏฐิสมมติ ข, ของตนของตนว่าจริงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าอันหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกกลา่าวธรรมของตนว่าบริบูรณ์แต่กลา่าวธรรมของผู้อื่นว่าเลว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 หากบุคคลเป็นคนเลวเพราะเหตุที่ผู้อื่นพูดติเตียนใจก็จะไม่พึงมีใครวิเศษในธรรมทั้งหลายได้เลยเพราะคนส่วนมากต่างกล่าวยืนยันในแนวทางของตนพากันกล่าวธรรมของผู้อื่นโดยความเป็นสิ่งเลวซามคำว่าหากบุคคลเป็นคนเลวเพราะเหตุที่ผู้อื่นพูดติเตียนใจอธิบายว่าหากบุคคลอื่นเป็นคนพานเลวคือซามต่ำซาม น่ารังเกียจหยาบช้าต่ําต้อยเพราะเหตุที่ผู้อื่นติเตียนคือเพราะเหตุที่ผู้อื่นนินทาตำหนิว่าร้ายใจรวมความว่าหา้ากบุคคลเป็นคนเลวเพราะเหตุที่ผู้อื่นพูดติเตียนใจคาว่าก็จะไม่พึงมีใครวิเศษในธรรมทั้งหลายได้เลยอธิบายว่าก็จะไม่พึงมีใครเลิศประเสริฐวิเศษนําหน้าสูงสุดประเสริฐสุดในธรรมทั้งหลายได้เลย รวมความว่าก็จะไม่เพึ่มมีใครวิเศษในธรรมทั้งหลายได้เลยคําว่าเพราะคนส่วนมากพากันกล่าวธรรมของผู้อื่นโดยความเป็นสิ่งเลวซามอธิบายว่าคนส่วนมากพากันกล่าวคือว่าร้ายนินทาติเตียนธรรมของคนส่วนมากโดยความเป็นสิ่งเลวซามคือต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยบ้าง คนส่วนมากพากันกล่าวคือว่าร้ายนินทาติเตียนธรรมของคนผู้หนึ่งโดยความเป็นสิ่งเลวซามคือต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยบ้างคนผู้หนึ่งกล่าวคือว่าร้ายนินทาติเตียนธรรมของคนส่วนมากโดยความเป็นสิ่งเลวซามคือต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยบ้าง คนผู้หนึ่งกล่าวคือว่าร้ายนินทาติเตียนธทำของคนผู้หนึ่งโดยความเป็นสิ่งเลวซามคือต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยบ้างรวมความว่าเพราะคนส่วนมากพากันกล่าวทำของผู้อื่นโดยความเป็นสิ่งเลวซามคำว่าต่างกล่าวยืนยันในแนวทางของตนโดยความเป็นสิ่งเลวซามอธิบายว่า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 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหากบุคคลเป็นคนเลวเพราะเหตุที่ผู้อื่นพูดติเตียนใส่ก็จะไม่พึงมีใครวิเศษในธรรมทั้งหลายได้เลยเพราะคนส่วนมากต่างกล่าวยืนยันในแนวทางของตนพากันกล่าวทมของผู้อื่นโดยความเป็นสิ่งเลวสามหนึ่งสี่เอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการบูชาลหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริง เหมือนพวกสมณพราหมณ์พากันสรรเสริญแนวทางของตนฉะนั้นการว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริงเพราะความหมดจดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นคำว่าการบูชาหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริงอธิบายว่าการบูชาหลักการของตนเป็นอย่างไรคือบุคคลศักดิ์ระเคารพนับถือบูชาศาสดาของตนว่า ศาสดานี้เป็นสัพพัญยูนิชื่อว่าการบูชาหลักการของตนบุคคลย่อมศั ก, กระเคารพนับถือบูชาธรรมที่ศาสดากล่าวสอนหมูคณะทิฏฐิปฏิปทามักของตนว่ามักนี้เป็นทางนำสัตว์ออกจากทุกข์นิชื่อว่าการบูชาหลักการของตนคำว่าการบูชาหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริงอธิบายว่า การบูชาลหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริงคือแท้เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตรวมความว่าการบูชาลหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริงคำว่าเหมือนพวกสมณะพราหมพากันสรรเสริญแนวทางของตนฉะนั้นอธิบายว่าธรรมชื่อว่าแนวทางของตนทิฏฐิชื่อว่าแนวทางของตนปฏิปทาชื่อว่าแนวทางของตน มักก็ชื่อว่าแนวทางของตนผู้สมณพราหมพากันสรรเสริญเพื่อชมเชยยกย่องพรนานาแนวทางของตนรวมความว่าเหมือนผู้สมณพราหมพากันสรรเสริญแนวทางของตนฉะนั้นคำว่าการว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริงอธิบายว่าการว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริงคือแท้เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริต รวมความว่าการว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริงคําว่าเพราะความหมดจดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นอธิบายว่าความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นรวมความว่าเพราะความหมดจดของสมณพราหมณ์เหล่านั้น เป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าการบูชาหลักการของตนเป็นเรื่องแท้จริงเหมือนพวกสม m พราหมณ์พากันสรรเสริญแนวทางของตนฉะนั้นการว่าร้ายทุกอย่างก็พึงมีอยู่แท้จริงเพราะความหมดจดของม a m พราหมณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเท่านั้นหนึ่งสสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ยานที่ผู้อื่นพึงแนะนําไม่มีแก่พราหมณ์ความตกลงใจแล้วยึดมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพราหมณ์จึงล่วงเลยการวิวาททั้งหลายได้แล้วแท้จริงพราหมณ์ย่อมไม่เห็นธรรมอื่นโดยความเป็นของประเสริฐคําว่าไม่ในคําว่ายานที่ผู้อื่นพึงแนะนําไม่มีแก่พราหมณ์เป็นคําปฏิเสธคําว่าพราหมณ์อธิบายว่า ชื่อว่าพราหม์เพราะลอยทาเจตประการได้แล้วไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหม์คาว่าญาณที่ผู้อื่นพึงแนะนําไม่มีแก่พราหม์อธิบายว่าความเป็นผู้มีญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนาไม่มีแก่พราหม์คือพราหม์ไม่เป็นผู้ที่ผู้อื่นพึงแนะนําไม่ดำเนินตามผู้อื่นไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัย <Jub ilee> ไม่ถึงความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นรู้เห็นไม่หลงรู้ตัวมีสติย่อมรู้ย่อมเห็นเคอความเป็นผู้มีญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนำไม่มีแก่พรามเคอพรามไม่เป็นผู้ที่ผู้อื่นพึงแนะนำไม่ดำเนินตามผู้อื่นไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยไม่ถึงความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นรู้เห็นไม่หลงรู้ตัวมีสติย่อมรู้ย่อมเห็นว่า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 สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าย่านที่ผู้อื่นพึงแนะนำไม่มีแก่พราหมคำว่าในธรรมทั้งหลายในคำว่าความตกลงใจแล้วยึดมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มีได้แก่ทิฏฐิหกสองคำว่าตกลงใจได้แก่ตกลงใจคือวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดเทียบเคียงพิจารณา ทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งคำว่ายึดมั่นเด็แกแย่จับมัน่นยึดมัน่นถือมัน่นรวบถือรวมถือรวบรวมถือคือความถือความยึดมัน่นความถือมัน่นความติดใจความน้อมใจเชื่อว่าสิ่งนี้จริงแท้จริงแท้เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ ได้แก่ความตกลงใจแล้วยึดมั่นพรามนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าความตกลงใจแล้วยึดมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มีคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นพรามจึงล่วงเลยการวิวาททั้งหลายได้แล้วอธิบายว่าเพราะฉะนั้น คือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นพราหมณ์จึงล่วงเลยคือก้าวล่วงก้าวพน้นล่วงพ้นการทะเลาะเพราะทิฏฐิการบาดหมางเพราะทิฏฐิการแก่งแย่งเพราะทิฏฐิการวิวาทเพราะทิฏฐิการมุ่งร้ายเพราะทิฏฐิรวมความว่าเพราะฉะนั้นพราหม์จึงล่วงเลยการวิวาททั้งหลายได้คำ ว, ว่าแท้จริง พรามย่อมไม่เห็นทำเอื่นโดยความเป็นของประเสริฐอธิบายว่าพรามย่อมไม่เห็นคือไม่แลเห็นไม่ตรวจ ด, ดูไม่เพ่งพินิษไม่พิจารณาเห็นศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะชิฏฐิปฏิปทามักเอื่นเพื่ออื่นจากสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์ภละโอชงอริยมักในองแปดว่าเป็นธรรมเลิศประเสริฐ คือวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดรวมความว่าแท้จริงพรามย่อมไม่เห็นทาอื่นโดยความเป็นของประเสริฐด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ายานที่ผู้อื่นพึงแนะนําไม่มีแก่พรามความตกลงใจแล้วยึดมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพรามจึงล่วงเลยการวิวาททั้งหลายได้แล้วแท้จริง ย่อมไม่เห็นทำเอื่นด้วยความเป็นของประเสริฐหนึ่งสี่สิบสาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณพราหมณ์บางพวกเชื่อความหมดจดเพราะทิฏฐิว่าเรารู้เราเห็นความหมดจดนี้ว่ามีจริงถ้าสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นแก่สมณพราหมณ์นั้นเล่าผู้สมณพราหมณ์แล่นเลยทางเห็นความหมดจดแล้ว ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นอื่นคำว่าเรารู้ในคำว่าเรารู้เราเห็นความหมดจดนี้ว่ามีจริงได้แก่เรารู้ด้วยปรจิตญาณญาณเป็นเครื่องรู้ใจผู้อื่นบ้างรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณญาณเป็นเครื่องระลึกถึงขันธ์ที่อยู่อาศัยในกลางก่อนบ้างคำว่าเราเห็นได้แก่ เราเห็นด้วยมังสะจักขูบ้างด้วยทิพจักขูบ้างคำว่าความหมดจดนี้ว่ามีจริงได้แก่ความหมดจดนี้มีแท้จริงแท้เป็นจริงแน่นอนไม่วิปริตรวมความว่าเรารู้เราเห็นความหมดจดนี้ว่ามีจริงคำว่าสมณพราหมณ์บางผู้เชื่อความหมดจดเพราะทิฏฐิอธิบายว่า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 จะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นแก่สมณพราหมณ์นั้นเล่าอธิบายว่าได้เห็นแล้วด้วยประจิตญาณบ้างได้เห็นแล้วด้วยปุกเพนิวาสานุสติญาณบ้างได้เห็นแล้วด้วยมังสะจักขูบ้างได้เห็นแล้วด้วยทิปจักขูบ้างรวมความว่าถ้าสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เห็นแล้ว คำว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นแก่สมณะพราหมณ์นั้นเล่าอธิบายว่าสมณะพราหมณ์นั้นทำอะไรได้เพราะการเห็นนั้นคือไม่มีการกาหนดรู้ทุกข์ไม่มีการละสมุทัยไม่มีการเจริญมรรคไม่มีการทำให้แจ้งผลไม่มีการละราคะได้โดยเด็ดขาดไม่มีการละโทสะได้โดยเด็ดขาดไม่มีการละโมหะได้โดยเด็ดขาด ไม่มีการละกิเลสทั้งหลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีการตัดขาดสังสารวัตรเลยรวมความว่าถ้าสมณะพราหมู้หนึ่งได้เห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นแก่สมณะพราหม์นั้นเล่าคำว่าผู้สมณะพราหมณ์แล่นเลยทางแห่งความหมดจดแล้วย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นอื่นอธิบายว่าเดียรถีเหล่านั้นก้าวล่วงก้าพ้น ล่วงพ้นทางแห่งความหมดจดทางแห่งความสะอาดทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความผ่องแผ้วทางแห่งความผ่องใสย่อมกล่าวเพือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปนอกจากสติปทานสี่สามปทานสี่อิทิบาสีอินรีหาพระห้าผู้ชงเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปรวมความว่าผู้สมณพราหมณ์แล่นเลยทางแห่งความหมดจดแล้วย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นอื่นอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกและพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก้าล่วงก้าพน้นล่วงพ้นทางแห่งความไม่หมดจดทางแห่งความไม่สะอาดทางแห่งความไม่บริสุทธิ์ทางแห่งความไม่ผ่องแพ้ว ทางแห่งความไม่ผ่องใสของเดียรถีเหล่านั้นย่อมกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาประทาน 4, สี่อิทิบาสีอินสี่ห้าภะละห้าพุทชงเจ็ดอริยมัคมีองค์8ดรวมความว่า พวกสมณพราหมณ์เล่นเลยทางเห็นความหมดจดแล้วย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นอื่นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสมณพราหมณ์บางพวกเชื่อความหมดจดเพราะทิฐิว่าเรารู้เราเห็นความหมดจดนี้ว่ามีจริงถ้าสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นแก่สมณพราหมณ์นั้นเล่าพวกสมณพราหมณ์เล่นเลยทางเห็นความหมดจดแล้ว ย่อมกล่าวความหมดจดเรื่องการเห็นอื่น